วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นํามาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจของท่านทั้งหลายําหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญเท่ากับใจ ใจเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดเพราะความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นความสุขและเป็นความทุกข์ที่มีความสําคัญมีน้ําหนักมากกว่าความสุขความทุกข์ของทางร่างกาย<ม>และของสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้ ให้สอนให้พวกเรามาให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาใจให้อยู่กับความสุขให้ปราศจากความทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถทํากันได้ความสุขทางใจความทุกข์ทางใจนี้เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ และดับมันได้ความสุขเราสร้างขึ้นมาได้ความทุกข์ทางใจเราดับมันได้ส่วนความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีเราก็ดับมันได้บางทีเราก็ดับมันไม่ได้บางทีเราก็สร้างมันขึ้นมาได้บางทีก็สร้างมันขึ้นมาไม่ได้ อย่างนั้นไม่ควรที่จะไปให้ความสำคัญกับความสุขความทุกข์ของทางร่างกายเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราแต่ใจนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมบังคับให้มันตั้งให้มันสร้างแต่ความสุขให้กับเราให้มัน ยุติสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราได้การที่เราจะทําให้ใจของเรานั้นสร้างแต่ความสุขและป้องกันหรือดับความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นเราจําเป็นจะต้องมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจนี้เรามีอยู่สอง สองแบบด้วยกันสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งเราเรียกว่าสารณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจส่วนที่สองที่เราต้องมีควบคู่ไปกับสารณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คืออัตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนนี่คือสาระหรือที่พึ่งที่พวกเราจําเป็นที่จะต้องสร้างกันขึ้นมาให้ได้ถ้าเราอยากจะควบคุมบังคับใจให้สร้างแต่ความสุขไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องไป ที่พึ่งสองส่วนนี้ประกอบกันขึ้นมาที่พึ่งส่วนที่หนึ่งคือพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราถือเป็นสลานะคือพุทธทางธรร ม, มังสามครั ง, งสลานังกัจฉามีมเราถือพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในส่วนนี้เราถือพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์พระพระสงฆ์ เป็นที่พึ่งทางการให้ความรู้แก่เรานั่นเองให้ความรู้กับเราให้เรารู้วิธีสร้างความสุขดับความทุกข์ทางใจไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้เรื่องของการสร้างความสุขสร้างความสุขดับความทุกข์ของใจได้ดีเท่ากับพระพุทธและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ต่อให้ไปศึกษาไปเรียนตามสถาบันต่างๆในโลกนี้ที่มีชื่อเสียงติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก<ม>ก็จะไม่มีใครรู้วิธีที่จะรักษาใจให้มีแต่ความสุขให้ปราศจากความทุกข์ทางใจได้ ม, มีแต่สถาบันของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ความจริงแล้วพระพุทธศาสนานี้ก็คือสถาบันการศึกษาดีๆนี่เองเป็นสถาบันที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาศึกษาเร่มเรียนผู้ที่มาศึกษาเร่มเรียนถ้าได้ศึกษาจากผู้รู้จริงอย่างพระพุทธเจ้าหรืออย่างพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถเรียนรู้ความจริงของการ ดับความทุกข์ทางใจและการสร้างความสุขทางใจไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีสถาบันใดในโลกนี้จะสอนวิชาดับความทุกข์ทางใจสร้างความสุขทางใจมีแต่สถาบันแห่งเดียวในโลกก็คือพระพุทธศาสนานี่เองดังนั้นผู้ที่มานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสารณะเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เปรียบเหมือนกับนักศึกษาที่มาศึกษาในสถาบันแห่งนี้เมื่อเป็นนักศึกษาก็ต้องมีความเชื่อมีความคารพในครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้ความรู้ความศึกษานั่นเองพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสารวก็ดี ก็เธอก็เป็นครูบาอาจารย์นี่เป็นครูบาอาจารย์ดีๆนี่ตามมหาลัยที่เราไปศึกษาเราก็จะต้องไปศึกษาจากครูบาอาจารย์คณะต่างๆในวิชาต่างๆเราก็ต้องเชื่อฟังเคารับและนําเอาไปปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของครูบาอาจารย์นี่แหละคือสาระ ที่เราเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่เป็นเหมือนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่เรามาศึกษาหาความรู้เพื่อที่เราจะได้นำเอาไปใช้ในการที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับใจและดับความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นให้หมดไป พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีนี้เป็นครูเป็นอาจารย์ส่วนพระธรรมคมสอนนี้ก็ถือว่าเป็นตำราเป็นตำราที่เราจะต้องศึกษา<ม>เราไปเรียนหนังสือในมหาลาัยนี้เขาก็จะมีครูอาจารย์แล้วเขาก็มีตำรามีหนังสือให้เราเอาไปศึกษาไปอ่านไปทำการบ้านเพื่อเตรียมตัวสอบต่อไป นี่คือสาระที่พึ่งอันแรกของใจถ้าเราต้องการทำใจให้มีความสุขป่าศจากความทุกข์เราต้องมีผู้ที่มีความสามารถในทางนี้เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้านี้เป็นบุคคลแรกที่สามารถทำใจ ให้ปราศจากความทุกข์ได้ทำใจให้มีแต่ความสุขตลอดเวลาได้ mm hmm. คือพระพุทธเจ้า mm hmm. หรือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้สละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชแล้วก็ศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ต่างๆจนถึงขั้นที่ไม่มีใครสามารถสั่งสอนได้ ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองครูบาอาจารย์ในสมัยพระพุทธเจ้านี้รู้จักวิธีดับความทุกข์ได้แบบชั่วคราวด้วยการทำจิตให้สงบในฌานขั้นต่างๆแต่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์เวลาที่ออกจากสมาธิออกจากฌานมาอันนี้ไม่มีใครรู้ ว่าทำอย่างไรทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้เช่นความแก่ความเจ็บความตายความสูญเสียความพัดพลาจากของที่รักที่ชอบหรือการที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบทั้งหลายทั้งปวงไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรรู้ว่าถ้าเกิดความทุกข์ถ้าอยากจะดับความทุกข์ ก็ต้องเข้าสมาธิไปต้องนั่งสมาธิเข้าฌานพอใจสงบความทุกข์ที่ใจไปสัมผัสที่ความทุกข์ที่เกิดจากการที่ใจไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกจากสมาธิออกจากฌานมาพอไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดให้ความทุกข์กับใจใจก็จะทุกข์ขึ้นมาอีก พยายามไปศึกษาไปถามครูบาอาจารย์ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นในสมัยนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากอะไรและจะทำยังไงให้บรรดับไปได้เมื่อไม่มีใครสามารถสอนได้ความปรารถนาที่อยากจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ใช่แต่เฉพาะ ช่วขณะที่อยู่ในสมาธิทท้งนั้นอยากจะพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรอย่างตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ mm hmm. พระองค์ก็เลยต้องค้นคว้าศึกษาหาเหตุหาผลต่างๆในที่สุดก็ทรงค้นพบทฤษฎีอันเประเสดที่เราเรียกว่าอาริยรรสัจสี่นี่ อริยาาสัจสี่นี้ก็คือทฤษฎีของเรื่องของความทุกข์และเรื่องของการดับความทุกข์ท่งพิจารณาค้นคว้าก็ส่งค้นพบว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นถ้าเกิดความอยากเหล่านี้เวลาได้ไปเจอกับความอยากเกี่ยวกับความแก่ เจอกับความเจ็บเจอกับความตายใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาวิธีที่จะทําให้ใจนั้นไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บได้ก็ต้องใช้การใช้ปัญญาหาหาสาเหตุว่าทําอย่างไรถึงจะทําให้ใจไม่ทุกข์ เมื่อใจทุกข์จากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องพยายามหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้และการที่จะหยุดความอยากจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้นั้นก็ต้องมีปัญญาก็ต้องเห็นความจริงของร่างกายนั่นเองเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ เมื่อเกิดมาแล้วนี้ทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้หรือไม่หรือเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันเท่านั้นไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยัง้งไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้ ถ้าอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความผิดหวังก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั่นเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้มันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนปรากฏการทางธรรมชาติเช่นฝนตกแดดออกนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครจะไปสามารถ ไปยับยั้งมันไม่ให้เกิดขึ้นมาได้แต่ใจที่ไม่ไปมีความอยากกับดินฟ้าอากาศก็ไม่ทุกข์กับดินฟ้าอ า, ากาศเวลาฝนจะตกแดดจะออกใจมักจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์เหล่านี้เพราะใจมองเห็นว่าดินฟ้าอากาศนี้เป็นสภาวะธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฉันใดร่างกายนี้ ที่แก่ที่เจ็บที่ตายนี้ก็เป็นภาวะอย่างหนึ่งภาวะทางธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครไปสามารถไปควบคุมบังคับมันได้มันไม่มีตัวตนก็พูดง่ายๆคือมันเป็นอนัตตร่างกายเป็นเหมือนฝนตกแดดออกมันไม่มีตัวตนมาทําให้ฝนตกไม่มีตัวตนมาทําให้แดดออก ฝนตกแดดออกเพราะมีเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพราะมีเหตุมีปัจจัยเช่นมีการหมุนเวียนหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์นี้เป็นต้นก็เลยทำให้เกิดมีกลางวันกลางคืนขึ้นมาไม่มีใครไปสร้างกลางวันกลางคืนมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีใครไปหยุดมันได้พอพิจารณาให้เห็นว่า น่างกายนี้เป็นปรากฏการทางธรรมชาติเป็นเหมือนลมที่กำลังพัดอยู่ในขณะนี้ไม่มีใครไปสั่งให้มันพัดและไม่มีใครไปสั่งให้มันหยุดพัดได้ถึงเวลามีเหตุที่ทำให้มันพัดมันก็พัดขึ้นมาแล้วถึงเวลาที่จะทำให้มันหยุดพัดมันก็จะหยุดของมันเองถ้าเราไม่ไปมีความอยากให้ลมไม่พัดหรือให้พัดนี้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับลม ทันใดเราก็ต้องมองร่างกายว่าเป็นเหมือนลมเหมือนฝน<ฮ>เหมือนฝนตกเหมือนเหมือนลมพัดเหมือนแดดออกมันเป็นภาวะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปไม่ช้าก็เร็ว<ฮ>พอเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นภาวะอย่างหนึ่งของธรมกก ร, งธรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนร่างกายไม่ใช่ตัวเรา เราไปยึดไปติดกันเองเราคือใครเราก็คือใจนี่ใจที่ไปมีความอยากแล้วก็ไปทุบ ก, กับสิ่งที่เราไปอยากเพราะเรามักอยากและอยากใช้สิ่งที่เราอยากเป็นไปตามความอยากของเราคือเราอยากพอเรามีอะไรเราก็มักจะอยากให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่เคยศึกษาดูความจริงเลยว่า มันเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้เป็นของชั่วคราวท้งนั้น mm hmm. เวลาเรามาคือใจเราเวลามาเกิดมาได้ร่างกายเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเราได้มาจากพ่อแม่ mm hmm. แล้วเราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ หาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลอสร้างความสุขให้กับใจซึ่งเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันสิ้นสุดลงอพอเราสูญเสียสิ่งที่มาให้ความสุขกับเราพอความสุขหมดไปความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาในใจเราเป็นผู้สร้างความทุกข์เพราะเราไปอยากให้สิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้ ให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดามต้องเห็นตายลักษณะเองเห็นร่างกายนี้เป็นตายลักษณะเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเจริญแล้วมีการเสือ่อมเวลาเกิดมา ออกจากท้องมาแม่ออกมาก็มีการเจริญเติบโตพอเจริญเติบโตถึงขีดสูงสุดแล้วมันก็จะเริ่มมีการเสื่อมลงไปเทียรเล็กเทียน้อย mm hmm. เมื่ออายุมากขึ้นไปตามลาดับความชราก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับและสิ่งที่ตามมากับความชราก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆและในที่สุดก็มีความตาย ตามมาเป็นบทสุดท้ายอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปยับยั้งไปเปลี่ยนแปลงได้มมเมื่อเจ้าชายเสียทธะหรือพระสมัมมาณัโคดมได้พิจารณาเข้าใจหลักนี้แล้วก็<ม>วทำให้หยุดความอยากได้หยุดความอยากไม่แก่<ม>หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้ พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็หายไป mm. เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายก็ไม่ทุกข์กับมันน mm. อันนี้แหละคือทฤษฎีที่เรียกว่าอริยสัจสี่ mm. ความทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย mm. แต่เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาคือมรรค mm. mm. ทุกข์สมุทยัย นิโรธมักมรรคนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดนิโรธเมื่อมรรคเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายลักไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยหยุดความอยากหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายเมื่อหยุดได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ไม่มีเมื่อไม่มีความทุกข์นิโรธนี้ก็คือการดับของความทุกข์ อันดับความทุกในใจนั่นเองก็ปรากฏขึ้นมานีเกิทดทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเป็นทฤษฎีทางใจต่างจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็มีทฤษฎีต่างๆที่มีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นขึ้นมาได้เช่นทําไมโลกนี้จึงมีแรงดึงดูด ทำไมสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้ทำไมไม่ลอยขึ้นไปจากพื้นดินทำไมใบไม้ที่ร่วงจากต้นไม้ที่ดูจจากขั่วต้นไม้แล้วทำไมถึงต้องตกลงมาบนดินทำไมไม่ลอยไปในอากาศทำไมสิ่งต่างๆที่เราโยนขึ้นไปในอากาศแล้วทำไมมันต้องตกลงมาก็มีคนฉลาดค้นพบว่ามันมีแรงนึงดูดของโลกนี้ เป็นตัวที่ดึงดูดให้สิ่งต่างๆนี้ติดอยู่บนผิวล้อันนี้เกิดจากการคิดพิจารณาตามหลักของความเป็นจริงนักวิทยาศาสตร์นี้เขาจะศึกษาทางด้านทางด้านภายนอกคือด้านเกี่ยวกับเรื่องร่างกายหรือเรื่องของดินน้ำลมไฟธาตุาทั้งหลายเรื่องของวัตถุต่างๆแต่ไม่สามารถศึกษาถึงเรื่องของใจได้ เพราะเขาไม่ได้มีการปฏิบัติสมาธิหรือจิตตภาวนานั่นเองเขาไม่รู้จักใจไม่รู้ว่าใจนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นร่างกาย mm. เขามาักจะไปคิดว่าร่างกายกับใจนี้เป็นของอยู่ด้วยกันเป็นส่วนเดียวกันแต่ผู้ที่ได้เจริญสมถะภาวนา ได้ปฏิบัติจิตทำให้จิตสงบจะสามารถเห็นได้อย่างชาัดเจนว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันยืนเข้าใจเรื่องของใจมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทาไมใจถึงต้องทุกเวลาที่ไปสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆของร่างกายก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้ ที่มานั่งวิเคราะห์ด้วยตนเองจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปได้ทฤษฎีสี่ข้อที่เรียกว่าอาริยสัจสี่ 4. ว่าใจทุกข์เพราะใจไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองสิ่งไหนที่เป็นไตรลักษณ์ถ้าไปอยากให้มันไม่เป็นไตรลักษณ์อยากให้มันอยู่ไปตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการสูญเสียไม่มีการสิ้นสุดใจนั้นก็จะต้อ ง, จ ะ, องจะต้องทุกข์จะต้องผิดหวังนี่แหละคือ การค้นพบวิธีดับความทุกข์ทางใจด้วยตนเองพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้ด้วยตนเองพระพุทธพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลผู้แปลว่า ผ, ผู้ได้ตัดสืบทรัพอันเลิศอันประเสริฐ<ม>ด้วยตนเองคือได้ตัดสืบรัพพระอริยสัจสี่<ม>พอรู้แล้วว่าใจของเราทุกข์เพราะอะไรแล้วใจของเราสุขเพราะอะไรใจของเราสุ ข, พออขเพราะ ใจนิ่งสงบปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆปราศจากการกระทําที่เป็นโทษเช่นการทำบาปต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและทรงรู้แล้วเมื่อรู้แล้วก็นำเอามาสั่งสอนเผยแร่ให้แก่ผู้อื่นใครที่สนใจมาศึกษามาเรียนจากพระพุทธเจ้าไม่ช้าก็เร็วก็จะเรียนจบ แล้วก็จะได้รับปริญญาคือได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระนิพพานความสุขของใจที่ถาวรและการสิ้นสุดของความทุกข์ของใจความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีมาในใ น, ในอดีตอันยาวนานนี้หายไปหมดเมื่อได้ปฏิบัติได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วและนำอาไปปฏิบัติ ก็เลยกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาและพระอาหารหันตสาวกนี้กับพระพุทธเจ้าก็ร่วมกันเป็นครูบาอาจารย์เผยแผ่สั่งสอนวิธีการดับทุกข์วิธีสร้างความสุขให้กับใจมาตั้งแต่บัดนั้นสถาบันการศึกษาคือพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นในวันที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์นั่นเอง ก็คือวันเพนเดือน8ที่เราเรียกว่าวันอาสาหะบูชาวันนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมขั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีหลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุบรบรลุธรรมขั้นที่หนึ่งยังไม่ไม่ถึงขั้นที่สแต่ก็เริ่มเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาแนละ้ว จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์ขึ้นมามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมที่พระเจ้าทรงสแสดงและมีผู้บรรลุธรรมคือพระโสดาบันได้แก่พระอัญญาโกลธัญญาวัะ น, นั้นเลยถือว่าเป็นวันก่อตั้งของสถาบันของการศึกษาของพระพุทธศาสนานี่หรือวันเกิดของพระพุทธศาสนานคือวันเพ็ญเดือนแปด ที่เราเรียกว่าวันอสหะ บ, บูชาระยะเวลาสองเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดทะลุพระพุทธเจ้าตัดทะลุในวันเพ็ญเดือนหกหลังจากที่ได้นั่งวิเคราะห์ได้นั่งพิจารณาว่าพร้อมหรือควรที่จะเผยแผ่ธรรมอันเดิศนี้ให้แก่สัตว์โลกหรือไม่หลังจากที่ได้วิเคราะห์แล้วได้แยกแยะจิตของผู้ที่จะรับธรรมะว่าเป็นเหมือนบัวสีเหลา มีจิตที่มีความสามารถตัดแตกต่างกันไปที่จะสามารถรับได้หรือรับไม่ได้ในที่สุดก็เลยพิจารณาตัดสินพระทัยที่จะนำเอาธรรมันประเสริฐนี้มาสแสดงให้แก่สัตว์โลกแต่ทงสแสดงให้กับพวกที่ฉลาดพวกที่มีความสามารถสูงก่อนพวกที่รู้รเร็ว ปฏิบัติง่ายรู้เร็วก็เครื่องพวกที่เป็นโยคยีทั้งหลายพวกที่เป็นนักบวชทั้งหลายพวกที่มีศีลที่บริสุทธิ์และพวกที่มีสมาธิหรือมีฌานได้บรรลุถึงฌานขั้นต่างๆแล้วพวกนี้เป็นพวกที่พร้อมที่สุดที่จะศึกษาความรู้คือพระอริยาาสัจสี่จากพระพุทธเจ้าเราทรงแสดงอริยาาสัจสี่ให้ฟังเท่านั้น เขาก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเขาได้ทันทีเลยนี่คือวันเพ็ญเดือน8สองเดือนหลังจากที่ตัดสลุก็เลยแสดงธรรมลูกศิษย์รืย น, นักศึกษากลุ่มแรกก็คือพระปัญจ ว, วัคคีย์ห้าูปหลังจากที่ได้ฟังธรรมสองสามครั้งจากพระพุทธเจ้าทั้งห้าูปก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาเป็นผู้ที่สาเร็จ การกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเป็นผู้ที่สร้างความสุขที่ถาวรก็คือความสุขของพระนิพพานขึ้นมาในใจได้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นมาทำตัวเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้อื่นเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไปช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะคำสั่งคำสอนไปตามสถานที่ต่างๆ จนปรากฏมีผู้ที่สนใจมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากนี่แหละคือเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ต้องการมีแต่ความสุขทางใจเพียงอย่างเดียวจำเป็นจะต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสารณะเพราะตามลําพังของเราเองนี้เราจะไม่รู้ วิธีการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราว่าจะดับได้อย่างไรจะต้องใช้วจิจะต้องทำอะไรบ้างแต่พอเราไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ถึงแม้ตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ยังมีพระธรรมคาสอนมีตำราที่พระเจ้าได้ทรงเขียนขึ้นมาหรือทรงแสดงขึ้นมาพระธรรมที่มีตำราที่บรรจุในพระไตรปิฎกนี้แหละ ล้วนเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยเป็นคําสอนที่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังในแต่ละยุคในแต่ละสมัยได้มีการจดจําบันทึกกันเอาไว้แล้วต่อมาก็ได้มีการบันทึกเป็นตวนัวอักษรตอนต้นก็จดจําด้วยใจด้วยการท่องจํากันต่อมาเมื่อมีความสามารถที่จะบันทึกลงเป็นตัวอักษรได้ก็เลยทําเป็นตาําราเป็นหนังสือขึ้นมา ที่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกนี่อันนี้ก็เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราคือพระไตรปิฎกถ้าเราไม่สามารถหาพระอริยสงสาวกหาพาาระอรหันตสาวกมาสั่งมาสอนเราได้ไม่สามารถหาพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนเราได้เราก็ยังมีตำรามีพระไตรปิฎกเป็นผู้สั่งสอนเราได้ ถ้าเราโชคดีเรามีโอกาสได้ไปพบป่กับพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่เราก็สามารถที่จะศึกษาจากท่านได้โดยตรงและคำสอนของทุกๆองค์ก็จะสอนเหมือนกันสอนให้เราดับความทุกข์ด้วยการละความอยากและการที่จะดับความทุกข์ละความอยากได้เราต้องมีเครื่องมือ เราต้องมีขั้นตอนของที่จะทำให้ความทุกข์ดับไปความอยากหายไปขั้นตอนนั้นเราก็เรียกว่ามารรคในเองมรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราไปศึกษากับพระรูปใดถ้าท่านไม่สอนศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาสแสดงว่าท่านไม่ไดสอนวิธีการดับทุกข์ให้กับเราถ้าเราต้องการการดับทุกข์ ทำให้ใจเราปราศจากความทุกข์ทำให้ใจของเรามีแต่ความสุขตลอดเวลาเราต้องมีทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาทั้งสองทั้งสองอันนี้เหมือนกันต่างกันตรงที่ถ้าเป็นคารวะนี้ท่านจะสอนให้ทำทานด้วยรักษาศีลแล้วก็ภาวนาถ้าเป็นพระเป็นผู้เป็นนักบวชเป็นผู้ที่ไม่มีเงินมีทองแล้ว ท่านก็ไม่ต้องสอนเรื่องทางท่านสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสมาธิกับปัญญาก็คือภาวนานี้เองอย่างนั้นทานศีลภาวนากับศีลสมาธิปัญญานี้เป็นมากเหมือนกันเป็นทางเป็นเครื่องมือสู่การดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าผู้ที่มาศึกษานี้มีสถานภาพไม่เหมือนกัน บางทีก็เป็นคารวาะบางทีก็เป็นนักบวชถ้าเป็นนักบวชก็ไม่ต้องสอนเรื่องทานเพราะว่าไม่มีเงินทองที่ต้องไปทำทานแล้วแต่ถ้าเป็นคารวาะยังมีเงินมีทองอยู่ก็สอนให้เอาเงินทองที่มีเหลือกินเหลือใช้นี้ไปทำบุญทำทานอย่าเอาไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อของหรูหรา อย่าไปซื้อของแพงๆอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นการซื้อความทุกข์มากกว่าเพราะความสุขที่ได้จากการใช้เงินเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่จึงไม่ให้ใช้เงินแบบนี้ถ้าอยากจะใช้เงินให้เกิดความสุขกับใจให้ใช้เงินด้วยการทาบุญ ท, ทาทานเอาไปบริจาค ไปทำคุณให้กับองค์กรต่างๆที่ทำคุณทำประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามต่างๆโรงพยาบาลโรงเรียนองค์กรการกุศลทั้งหลายที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้ทให้ใช้เงินแบบนี้การบริจาคทานี้ทาให้ใจมีความสุขมากกว่าความสุขจากการไปซื้อรถราคาแพงๆซื้อบ้านราคาแพงๆซื้อของหรูหราอะไรต่าง ๆ, ๆมา มันความสุขต่างกันความสุขที่ได้จากการบริจากนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่ติดอยู่กับใจไปนานกว่าและให้ความอิ่มความพอกับใจส่วนความสุขที่เอาไปใช้กับการซื้อข้าวซื้อของต่างๆนี้มันเป็นความสุขเดียวเดียวแบบควันไฟดีใจตอนที่ได้มาใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นมันก็หมดไปแล้วก็ปล่อยให้ใจมีความรู้สึก อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวหิวโหวยอยากจะได้ความสุขแบบนั้นอีกก็ต้องไปซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆอันนี้คือวิธีการใช้เงินซื้อความสุขถ้ายังมีเงินแล้ว เ, เอาไปซื้อความสุขต่างๆพระพุทธเจ้าบอกให้ซื้อความสุขด้วยการบริจาคเงินทองไปจะดีกว่าบริจากให้วัดบริจาคให้โรงเรียนบริจาคให้โรงพยาบาลองค์กรต่างๆที่ทาคุณทาประโยชน์ให้แก่สังคม อันนี้จะทำให้เรามีความสุขที่ที่ยั่งยืนกว่าที่หนักแน่นกว่าและให้ความอิ่มความพอเวลาที่เราไม่มีเงินทาบุญทําทานเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเราจะรู้สึกสบายใจแต่เวลาที่เราไม่มีเงินไปซื้อของแพงๆซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยเวลานั้นเราจะเกิดรู้สึกมีความาการหงุดหงิดนํำคาลใจ น, นี่คือวิธีที่ท่านสอนค้ารวาสญาติอยมผู้ที่ยังมีใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขอยู่ให้เปลี่ยนวิธีซื้อความสุขอย่าไปซื้อความสุขกับซื้อข้าวของเงินทองซื้อข้าวของซื้ออะไรซื้อรูปเสียงกิน่นแลไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆความสุขเหล่านี้เป็นความสุขแบบควันไฟไปเที่ยวกลับมามันก็หมดแล้วแล้วก็ทําให้อยากจะไปเที่ยวอีกแล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกข์หงุดหงิดใจ ซื้อเอาเงินนั้นไปทําบุญดีกว่าทําบุญแล้วกลับมาบ้านเย็นใจสบายใจอิ่มใจไม่มีเงินไปทําบุญใหม่ก็ไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆได้เพราะมีความอิ่มจากการทําบุญครั้งที่แล้วมาเนี่ยนี่คือความต่างระหว่างการสั่งสอนนักบวชกับสั่งสอนฆราวาสญาตโยมต่างกันตรงที่เรื่องทานนี้เท่านั้นเองแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี้เหมือนกัน ถ้าเป็นคาราวะาญาติโยมก็อาจจะสอนให้เริ่มมหัศรักษาศีลจากขั้นต่ำไปก่อนศีลขั้นต่ำก็คือศีลห้ารักษาศีลห้าให้ได้ไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้แล้วก็ให้เพิ่มเป็นศีลแปดเพราะว่าต้องการเอาเวลาจากการรักษาศีลแปนี้ไปทำการภาวนาคือการไปเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนั่นเอง เพราะว่าถ้าใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการมีเงินการใช้เงินใช้ทองซื้ออะไรต่างๆที่มีในโลกนี้ซื้อของร้อยล้านพันล้านมาก็ไม่สุขเท่ากับการที่เราทําใจให้สงบเะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงนี้ที่ดีจริงนี้ไม่ต้องใช้เงินทองขอให้ใช้สติเพียงอย่างเดียว คนฉลาดจึงหาสติไม่หาสตางค์คนโง่จะหาสตางค์คิดว่าการมีสตางค์แล้วจะได้ซื้อความสุขต่างๆได้แต่ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่ามันเป็นของที่เสื่อมได้หมดได้นั่นเองพอมันเสื่อมมันหมดความสุขที่ได้จากของที่ซื้อมามันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ความสุขที่ไดจากการมีสตินี้มันเป็นความสุขที่ เราสามารถที่จะรักษาไว้ได้มีไว้ได้ตลอดเวลาถ้าเรามีสตินั่งสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการความสงบต้องการความสุขเราเพียงแต่นั่งหลับตาแล้วเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบแล้วความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ นี่คือวิธีการดับความทุกข์ใจสร้างความถูกทางใจเบื้องต้นก็ให้ทําทานก่อนทําทานจนกระทัง่งไม่มีเงินหรือที่จะทําทานแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะถ้าเรายังมีเงินแล้วเอาเงินไปใช้ซื้อความสุขก็ขจะไม่มีเวลามาสร้างความสุขทางใจกันนั้นต้องปิดประตูการใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิน่นรสด้วยการเอาไปทําบุญทําทาน แล้วพอไม่มีเงินทำบุญทำทานแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินทองอีกต่อไปเราก็มาหาความสุขจากการรักษาศีลแทนการรักษาศีล น, นี้จะทำให้ใจเรามีความสุขไม่มีความทุกข์เพราะเวลาทำบาปนี้ใจเราจะทุกข์เวลาเราไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณีไปพูดปดใจเราจะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจ แต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราไม่ท่าเราไม่ฆ่าเราไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดใจของเราจะไม่มีความทุกจากการกระทําเหล่านี้ใจของเราก็จะมีความสุขเมื่อมีความสุขจากศีลห้าแล้วเราก็ไปเพิ่มความสุขเปน็นในศีลแปดต่อไปเพราะศีลแปดก็จะทําให้เหล่านี้ไม่ให้ไปหาทํากิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใคร ไม่ให้ไปกินอาหารมากจนเกินไปกินเพียงมือ้อสองมื้อก็พอจะได้เอาเวลามามานั่งสมาธิมาเจริญสติดีกว่าไม่ให้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ให้มีการร้องรำทำเพลงเรื่องเครื่องบันเทิงหรือมหรศพไม่ให้เสริมสวยความงามทางร่างกายต่างๆเพราะเป็นการเสียเวลาที่มีค่า เอาเวลาที่มีค่าที่ไปใช้กับการหาคามสุขทางมหโรสุบมัณฑงนี้มาให้กับการมาเจริญสตินั่งสมาธิจะดีกว่าแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนเพียงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะนอนสี่ห้าชั่วโมงก็ต้องนอนบนบนที่นอนที่ไม่ไม่สบายที่นอนที่เป็นแข็งแข็งเป็น เป็นเตียงที่ไม่มีฟูกเนี่ยเป็นแต่พื้นแข็งตูดด้วยผ้าด้วยเสือ่ออย่านอนบนเตียงสําราญเตียงที่มีฟูกหนาะๆเตียงที่นอนสบายเพราะมันจะนอนมากกว่าสี่ห้าชั่วโมงนั่นเองจะเสียเวลามีค่าไปต้องการเอาเวลาที่มีค่านี้มาให้กับการปฏิบัติสมาธิเพียงอย่างเดียว น, นี่คือขั้นตอนของการที่จะสร้างเครื่องมือคือมรคคือศีลสมาธิและปัญญาขึ้นมา เพราะว่าถ้าเรามีศีลมีสมาธิน่ามีปัญญาแล้วนี่เราจะสามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เลยไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจต่อไปและการที่เราจะทําตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนได้เราก็ต้องมีที่พึ่งส่วนที่สองนี่ก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติให้เราไม่ได้นั่นเองเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองคำว่าอัตตาเหตุอัตโนโนาตตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือตนต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาหรือถ้าเรายังเป็นคารวะอยู่เรายังใช้เงิน แบบไม่ถูกทางอยู่เราก็ต้องเอาเงินที่ใช้ไปในทางที่ผิดนี้เอามาใช้ในทางที่ถูกเอามาทำบุญทำทานหรือถ้าไม่ทำบุญทาทานจะเก็บไว้เพื่อไว้ใช้ในอนาคตก็ได้อ น, นี้ก็เป็นเป็นเงินสารองก็ได้แต่เราอย่าไปมีความผูกพันกับมันเทนั้นเพราะความผูกพันในเงินทองมันก็จะทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องไปมีมันดีกว่า ถ้าไปบวชได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองเลยจะได้มีเวลาที่จะมาจะเจริญศีนสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่<ม>การปฏิบัตินี้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติให้เราไม่ได้หน้าที่ของพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือสอนเราบอกเราวิธีของการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์เพื่อให้ใจมีแต่ความสุขต้องมีศีนสมาธิปัญญา หรือมีทานศีลภาวนาต้องปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาไม่มีใครปฏิบัติให้กับใครได้อันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของตนของผู้ที่ต้องการที่จะดับความทุกข์ทางใจผู้ที่ต้องการจะมีความสุขทางใจอย่างถาวรจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองนี่คือความหมายของ ที่พึ่งอย่างที่สองก็คือตนเป็นที่พึ่งของตนที่พึ่งทั้งสองอย่างนี้ทำหน้าที่ต่างกันที่พึ่งที่เป็นสารณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ทำหน้าที่สั่งสอนวิธีการดับความทุกข์วิธีสร้างความสุขทางใจส่วนอัตตาเฮตโนนาโถนี้เป็นเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติตามคำสอนใครที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจาก ความทุกข์ต้องการที่จะมีแต่ความสุขทางใจนี้ต้องศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวุปเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วถึงจะได้บรรลุผลได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็ น, ปนอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถอย่าทําตอนที่เราตายไปแล้วอย่างที่เขานิยมกัน เวลาคนตายไปนิมนุ์นพระมาสวดนิมนุษ์พระมาสอนคนตายคนตายไม่ได้ยินหรอกเพราะคนตายตายไปแล้วสอนยังไงก็ไม่ได้ยินพระที่มาสวด น, นี้ไม่ได้สวดให้คนตายฟังสวดให้คนเป็นฟังสิ่งที่พระสวดก็คือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ชาวพุทธเหล่านี้มักจะหลงไปติดกับพิธีกรรมจนไม่เข้าใจความหมายของการฟังเทศฟังธรรมว่ามันมีความหมายว่าอย่างไง ที่ว่าเป็นการสอนคนตายนิมนต์พระมาเทศมามาสวดให้คนตายฟังเพื่อจะได้ส่งคนตายไปสวรรค์นี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดการศึกษาการเล่าเรียนพระธรรมคาสอนนี้ต้องศึกษาในตอนที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าจะต้องเอาความรู้ที่ได้ศึกษานี้มาใช้กับการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจดังนั้นเราไม่สามารถทาอะไรให้กับคนตายได้ คนตายไปแล้วนี้เขาหมดหมดหมดโอกาสอันดีงามที่จะดับความทุกข์ทางใจที่จะสร้างความสุขทางใจที่จะสร้างสวรรค์ชั้นต่างๆให้กับใจถ้าอยากจะไปสวรรค์นี้ต้องสร้างสวรรค์ตั้งแต่เรายัางไม่ตายวิธีสร้างสวรรค์ก็คือนี่แหละให้ทําบุญทาทานให้รักษาศีลห้าไว้ให้ดีถ้าทำสองข้อนี้ได้เวลาตายไปใจจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน แต่ถ้ารอให้ตายแล้วรอให้ญาติพี่น้องมาทําบุญทําทานให้หรือตัวเองจะเขียนมรดกไว้ก็ตามเขี <_ d ont os> ยนพินัยกรรมไว้ว่าขอมอบเงินก้อนนี้ให้กับวัดอันนี้ไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะว่าตอนที่ตายไปคนตายไม่รู้ว่าได้ทำหรือไม่ได้ทำเพ <_ d ont os> ียงแต่เขียนในพินัยกรรมสั่งไว้เท่านั้นเองดีไม่ดีดี๋ยวก็เกิดมีก ร, รณีมาต่แย้ง ก, กันหาว่าเป็นพินัยกรรมปลอมก็มี เจตนาของคนที่เขียนพินัยกรรมอาจจะถูกเบี่ยงเบนไปเพราะความรู้ของคนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้งนั้นบางทีเขียนพินัยกรรมแล้วไม่ได้แสดงว่าจะได้ตามที่ได้เขียนไว้เสมอไปถ้าอยากจะได้แน่นอนให้เราทำก่อนตายเลยดีกว่าทำต อ, ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราอยากจะบริจาคเงินก้อนนี้ให้กับวัดหรือกับใครก็ทำไปตั้งแต่ตอนที่เราไม่ตายเลยเราจะได้รู้ว่าเราได้ทำแล้ว แล้วใจเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วความสุขใจอิ่มใจนี่แหละที่จะเป็นตัวที่พาให้เราไปสวรรค์ต่อไปแต่ถ้าเวลาเราตายเราไม่มีความสุขใจอิ่มใจเราไม่ได้ไปสวรรค์นะถึงแม้จะเขียนที่ในกรรมว่าจะขอบริจาคเงินไว้ให้กับวัดก็ตามมันมันไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์กับใจเราเสียแล้วเพราะยังไม่ได้ทาเวลาตายก็ทาไม่ได้ แล้วถ้าอยากจะบริจาคอะไรอย่าไปบริจาคตอนที่เราตายไปแล้วถ้าอยากจะได้บุญได้กุศลต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตาย<ม>ถ้าไปบริจาคที่ตายแล้วเราไม่รู้ว่าเราได้บริจาคจริงหรือไม่มนี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานถ้าอยากจะไปสวรรค์คนอื่นส่งเราไปไม่ได้ญ<ม>าติพี่น้องจะมามาสวดมาขอให้ไปสู่สุคตินะสวดไปขอไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้ เพราะสิ่งที่จะพาให้เราไปนั้นคือการทําบุญทําทานกับการรักษาศีลห้านี้เท่านั้นเองถ้าเรารักษาศีลห้าของเราไปเรื่อยๆทําบุญทําทานของเราไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าเวลาที่เราตายไปใจของเรานี้จะไปสวรรค์อย่างแน่นอนนี่คือคําว่าอัตตาหิอัตโนนาเถตนเป็นที่พึ่งของตอนเราต้องเป็นผู้ที่ทําบุญทําทานเองเราต้องเป็นผู้ที่รักษาศีลเอง เราต้องเป็นผู้ที่นั่งสมาธิเองเดินจงกรมเองเจริญสติเองเราต้องเป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรมฟังเทศฟังธรรมเองแล้วพิจารณาธรรมที่เราได้ยินได้ศึกษามาสอนเพื่อให้เราละความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปไม่มีใครทําแทนเราได้ถ้าพระพุทธเจ้าทําแทนพวกเราได้พวกเราก็สบายนั่งเฉยๆกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วขอไปนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าบอกเออไปเลยไปกับเรา ม, มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ม, มันเป็นเสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงสารุกทําแทนเราไม่ได้ท่านทําได้เพียงแต่สอนวิธีไปว่าไปอย่างไร<ม>อยากจะไปนิพพานเลอก็เดินไปเส้นนี้สิทําบุญทําทาน<ม>แบ่งปันเสียสละเข้าของเงินทอง<ม>อย่าเอาไปซื้อของเพื่อตัวเองอย่าไปซื้อความสุขให้กับตัวเองเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขให้กับคนอื่น เอาแบ่งปันความสุขจากเงินทองนี้ให้กับคนอื่นเข้าไปให้เขามีความสุขบ้างช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขาแล้วใจของเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเนี่ยความสุขใจอิ่มใจนี่แหละคือสวรรค์การรักษาศีลก็เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปอาบายนั่นเองถ้าเราทำบาปยังทำบาปอยู่แล้วทำบุญด้วยถ้าบาปมันมีมากกว่าบุญนี้บุญไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์ได้เพราะบาปมันจะดึงเราไปอาบาก่อน ดังนั้นถ้าต้องการให้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนนี้เราต้องทำทั้งสองอย่างบาปก็ไม่ทำทำแต่บุญอย่างเดียวทำแต่บุญไปเรื่อยๆถ้าเรายัางไม่มีความสามารถที่จะไปเป็นนักบวชได้ไปฝึกสมาธิไปเจริญปัญญาได้เราก็ทำแค่ฐานะของคารวะผู้คลองเรือนไปก่อนคือรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วก็ทาบุญทาทานไปเรื่อยตามกาลังของเรา มีมากมีน้อยก็ทำไปอย่าเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีมันไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลมันเป็นกิเลสมันเป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะไปเลี้ยงกิเลสให้มันมีความอยากเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทุกครั้งที่เราทาตามความอยากความอยากมันจะไม่ลดน้อยลงมันจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้อันนี้ได้ไปเที่ยวเนี๋ยพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวอีกพอได้ไปเที่ยวอีกครั้งมันก็ยิ่งอยากจะไปวิธีที่จะทำให้ความอยากเที่ยวน้อยลงไปก็คือทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวก็อย่าไปเที่ยวเอาเงินที่จะใช้กับการไปเที่ยวไปทาบุญแทนเมื่อไม่มีเงินไปเที่ยวมันก็ไม่ต้องไปพอไม่ไปทักระยะหนึ่งความอยากไปเที่ยวมันก็หมดไปเองนี่เราต้องสกัดความอยากที่เราใช้เงินทองเป็นเครื่องมือ ด้วยการเอาไปทำบุญทาทานทำบุญทาทานแล้วใจเราจะมีความสุขแล้วจะทำให้เรารักษาศีลได้ง่ายเพราะว่าคนที่ทำบุญทาทานนี้จะเป็นคนที่ใจบุญนั่นเองเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาจะไม่อยากที่จะสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้กับใครดังนั้นเวลาที่จะทำอะไรถ้าคิดว่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็จะไม่ทำ ถ้าจะไปลักขโมยเงินของคนอื่นก็จะไม่อยากทำพอไปสร้างความเสียหายให้เดือดร้อนถ้าจะไปโกหกหลอกลวงพูดก็จะไม่ทำคนที่ใจบุญจะเป็นอย่างนี้คนใจบุญนี้อยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขไม่อยากให้คนอื่นเขามีความทุกข์งั้นการทาบุญทาทานนี้มันเป็นเหมือนกับขั้นบันไดถ้าเราทำบุญทาทานได้มันจะทำให้เรารักษาสิงได้ง่ายเพราะคนที่ใจบุญนี้จะไม่ไมชอบทบาบาศ ในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่ชอบทําบุญเนี่ยจะเป็นคนชอบทําบาปเพราะชอบทําอะไรเพื่อตัวเองเป็นคนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวอยากจะทําอะไรอยากจะให้ตัวเองมีความสุขก็จะทำโดยที่ไม่คํานึ ง, นงถึงผลกระทบที่จะตามมาว่าจะทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่แต่ถ้าเป็นคนที่ทําบุญอยู่เรื่อยๆนี่จะเป็นคนที่คิดถึงความความสุขความทุกข์ของคนอื่น ถ้าทําอะไรแล้วไปทําให้เกิดความทุกข์แต่ผู้อื่นก็จะไม่ทํานั้นคนที่ทําบุญอยู่เรื่อยๆนี้จะเป็นคนที่รักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทําบุญนั่นเองเมื่อทําทบุญได้ก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลห้าข้อ น, นี้เป็นของง่ายมากไม่ยากเลยเรื่องฆ่าสัตว์ก็จะไม่อยากฆ่าเลือกลักทรัพย์ก็ไม่อยากจะลักทรัพย์ของใครเรื่องการไปรยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของคนอื่นก็จะไม่อยากไปยุ่งด้วย เรื่องของการโกหกหลอกวงก็จะไม่อยากจะไปยุ่งกับใครเรื่องของอบายามุขการดื่มสุรายาเมาก็ไม่เอาเพราะรู้ว่ามันเป็นของมึนเมาดื่มไปแล้วจะทําให้ไม่มีสติสตังควบคุมการกระทําของตนเองได้ mm hmm. อย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ทําบุญทําทานก่อนสําหรับผู้ที่เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มศึกษาเริ่มปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนให้ทําจากง่ายไปหายากขั้นที่หนึ่งมันง่ายกว่าขั้นที่สอง แต่ถ้าทำขั้นที่หนึ่งได้แล้วขั้นที่สองมันก็จะง่ายลงก็<ม>จะทำให้ปฏิบัติทำทานได้แล้วก็จะไปรักษาสีลห้าได้เมืม่อรักษาสีลห้าได้แล้วก็จะรู้สึกว่ารักษาสีลแปได้เพียง<ม>แต่เพิ่มอีกสามข้อเท่านั้นเอง<ม>สีลแปก็จะเพื่อที่จะสนับสนุนในการที่เราจะไปปฏิบัติขั้นที่สี่คือการไปฝึกสมาธิไปหาความสงบเป็นทํามใจให้สงบนั่นเอง<ม>ถ้าเรา รักษาสินแปดได้เราก็จะไม่เสียเวลากับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมีเวลาที่เราจะได้มาฝึกจิตนั่นเองมาเจริญสติมาคอยควบคุมความคิดมาหยุดความคิดเพราะการที่เราจะทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้สงบมีความสุขเราต้องหยุดความคิดให้ได้และสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสตินี่สตินี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเบรของรถยนต์ รถยนต์นี้เวลาที่เราต้องการที่จะให้รถมันหยุดนี่เวลาวิ่งมาถึงสี่แยกไฟแดงเราต้องหยุดรถนี้เราต้องเหยียบเบรคถ้าไม่เหยียบเบรคถ้าเบรคแตงรถมันก็จะวิ่งฝ่าไฟแดงไปได้แต่ถ้าถ้ามีเบรคมันก็จะหยุดรถได้แต่ไดถ้าเราต้องการให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิมีความสุขเราก็ต้องมีเบรกเบรของใจก็คือสติและการที่จะมีสตินี้เราก็ต้องมี ครื่องอบรมสติที่เรียกว่ากรรมฐานอารมณ์ที่เราใช้ในการฝึกฝึกสติสร้างสติเช่นการใช้พุทธโธนี่ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเราเรียกว่าพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราใช้พุทธโธนี่แหละเป็นตัวดับความหยุดความคิดเรื่อยๆเพราะพุทธโธนี่สามารถทําได้ในทุกิริยาบทไม่จําเป็นต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว เราสามารถจเจริญพุโทโธได้ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาปับ๊บเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยไม่ต้องไปคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นอย่าต้องคิดตอนที่เราตื่นมาใหม่ๆนี้ไม่มีเรื่องต้องคิดมีแต่มีแต่หน้าที่ไปทําหน้าที่ทางร่างกายไปอาบน้ําน้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวช่วงนั้นเราไม่ควรปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยใช้พุโทโธพุโทโธคอยหยุดมัน อาบน้ำไปก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปค<ม>อยควบคุมควา ม, มคิดอย่างนี้แล้วเวลาที่เร า, านั่งสมาธินี้ใจจะไม่ฟุง้งใจจะสงบได้ง่ายนั่งห้านาทีสินาทีใจก็นิ่งได้นั่งนั่งเราก็พุโทโธต่อไปหรือเราจะเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ดูลมหายใจที่ปลายจมูกจะ ใช้พุโทโธไปกับลมด้วยก็ได้หรือไม่ใช้ลมไม่ใช้พุโทโธก็ได้ใช้ลมอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราอยากจะหยุดพุโทโธเราก็ใช้ลมอย่างเดียวดูลมที่ปลายจมูกรู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปทำอะไรคอยเฝ้าดูมันถ้าเรามีหน้าที่ดูลมเราก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้พอไม่คิดสักระยะหนึ่งใจก็จะนิ่งรวมเข้าสู่ความสงบ พอจิตสงบนิ่งแล้วไม่มีความคิดแล้วใจก็เย็ยนสบายเบาเบ า, บาอกเบาใจเหมือนลอยอยู่ในอวากาศมีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบ <c oughs> และมีอุเบกขาปีจายปล่อยวางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> อันนี้คือขั้นที่หนึ่งของการดับความทุกข์ด้วยการทำสมาธิพอเราได้สมาธิเราชนานาญในการปฏิบัติสมาธิแล้ว ท่านต่อไปเวลาเราไม่ได้เข้าสมาธิเวลาเราอยู่ข้างนอกเราก็มาสอนใจให้มองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นไตรลักษณ์ของต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากมันไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราให้มองอย่างนี้อย่าไปอยากอยากเราจะทุกข์อย่าไปอยากกับร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะทำให้เราทุกข์นี่คือปัญญาถ้าเราเข้าใจหลักของตายรักแล้วเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากได้ทีนี้ความทุกข์ที่เคยมีก็จะหายไปจากใจไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปใจของเราก็จะได้พบกับความสุขที่ถาวรหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรใจใจที่หลุดพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุข อย่างทาวอเราเรียกว่านิพพานเป็นใจดวงเดียวนี่ใจของพวกเราขณะ น, นี้ที่หลังจากได้รับการชำระด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาแล้วใจก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมานิพพานไม่ได้เป็นสถานที่ไม่ได้เป็นสิ่งที่สูญหายไปเราไม่ได้สูญหายไปกับนิพพานเราก็ยังอยู่ต่อไปเราอยู่ในนิพพานนี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่มาเกิดแล้วเพราะการมาเกิดมันเป็นทุกข์ พอมีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองผู้ที่ไปถึงนิพพานแล้วไม่มีความหิวแล้วมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอเมื่อมีแต่ความอู่ความพอก็ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามีที่พึ่งทางใจสองส่วนด้วยกันคือมีสลณะคือพระพูธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลณะเป็นที่พึ่งทางใจ แล้วก็มีอัตาหิอัตนโนนาถเป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าเรามีความมีที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้ครบสมบูรณ์เราก็จะได้พบกับความสุขทางใจที่ถาวรปลดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวร น, นี่คือเรื่องราวของที่พึ่งทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูระปาลิกุลเณติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก oh ัปปติอิชิตังปัทิตังต um ุมหังคิปะเมวะสัมมชาตุสัพเพปุลเณตุสังตปา จันโทปนะราโสยธามณิโชติอะระโสยธาสัพพิติยวิวาจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโปภวะอภิวาตนสีบิจนะนิจังวุฒาปะจายโน จตารโหทมวาทานติอายุวันอสุขังทารังช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองหรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือส่งเข้ามาทางเพจ ทางยูทูบก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ข่าวเรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมมานากรจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติห้า้าสิบห้าท่าน YouTube พระสุชาติ l ลฟ์291ท่าน YouTube ดรวีชแนลหนึ่งสองวิทยุออนไลน์8คลับเฮาส์นากรหนึ่งร้ห้าสิรวมทั้งหมดหนึ่งพหนึ่งาท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญนำมามาอ่านได้เลยค่ะ คำถามจากทาง Facebook ค่ะหากเราทําทานรักษาศีลเราจะได้ไปเกิดภพสวรรค์จะไม่เป็นการเสียเวลาที่เราจะกลับมาเกิดในภพมนุษย์เพื่อปฏิบัติธรรมให้คนจากทุกข์ใช่หรือไม่คะเสียไม่เสียมันก็ต้องทําหละมันห้ามมันไม่ได้มันต้องตายนี่มันจะตายจะไปอบายดีหรือไปสวรรค์ดีกว่าไปสวรรค์ก็เหมือนได้ไปเที่ยวไม่สินไม่เป็นไรหรอกการเป็นมนุษย์ก็เหมือนเหมือนการมาทํางาน การการไปเที่ยวไปสวรรค์ก็เหมือนการไปเที่ยวนั้นไปเที่ยวไปพักผ่อนพ อ, ลอกลับมาแล้วก็มาทำ ง, งานต่อไม่เป็นไรไม่เสียเวลาหรอก คำถามจากคุณจรัญญาขออนุญาตฝากคำถามค่ะปฏิบัติไปหลายปีช่วงนี้ยมรู้สึกอยากบวชชีอยากอยู่วัดยมรู้สึกว่าเวลาอยู่ที่วัดจะมีการเบียดเบียนกันน้อยยมมีความสุขใจเพราะได้เสียสละทําทานทํางานทําประโยชน์ให้วัดได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นลักษณะการก้าวหน้าของการปฏิบัติหรือเปล่าเ้าคะเพราะนันะ่นแหละเป็นวิธีดับความทุกข์ทางใจและสร้างความสุขให้กับใจ ือทานสียภาวนานี่ค่ะคำถามจากคุณนัทพรกับเรียนถามพระอาจารย์พิจารณาอาการ32คืออะไรคะทำไมต้องพิจารณาคะเพื่อจะได้เห็นความจริงของร่างกายตอนนี้เราเห็นร่างกายเพียงด้านเดียวคือด้านภายนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังแต่เราไม่เห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังคือ เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับท้งผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะเนี่ยเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นเราควรจะศึกษาเพื่อมองให้เห็นเราจะได้เห็นร่างกายแบบไม่ไม่เห็นข้างเดียวเห็นทั้งสองด้านเห็นด้านที่สวยงามและเห็นด้านที่ไม่สวยงามเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงรักร่างกายนั่นเอง อันนี้เราหลงรักร่างกายกันเพราะว่าเราคิดว่าร่างกายนี้น่ารักสวยงามแต่พอเราเรานศึกษาเริ่มเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเราก็จะได้ไม่ไปหลงรักร่างกายได้เพราะการหลงรักร่างกายนี้ทำให้เราทุกข์เพราะเราเมื่อรักใครแล้วเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะอยู่ใกล้เขาอยากจะอยู่เห็นเขาพอเวลาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เจอเขาไม่อยู่ใกล้เขาก็รู้สึกเารารู้สึกเศร้าขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ไปรักใครแล้วเราก็อยู่ของเราคนเดียวได้อย่างสบายค่ะจากคุณสิวาการสอบถามครับกระแส จ, จิตมันส่งหากันได้ไหมครับบางครั้งไปอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบเราเขายังไม่ทำ เขายังไม่ได้ทําอะไรเราเลยเราก็รู้สึกอึดอัดตรงกันข้ามได้ไปอยู่ในกับในหมู่คนที่เขารู้สึกดีกับเราเขาก็ยังไม่ได้แสดงอะไรเลยเราก็รู้สึกสบายใจครับถ้าเราไปคิดถึงเขาเท่านั้นเองคิดถึงเขาเราก็ไม่สบายใจคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็ไม่สบายใจคิดถึงที่เราชอบก็สบายใจถ้าเรามีสติเราก็หยุดมันได้ถ้าเราไม่คิดเราก็จะสบายใจกว่า เจอคุณอัญชนากับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจิตที่มีกําลังคือจิตที่อยู่กับลมหายใจหรือจิตที่อยู่กับควา ม, ว, ามว่างคะจิตที่ไม่โอเบกคาจิตที่เฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยใครรัดของเราไปก็เฉยใครให้อะไรมาก็เฉยต้องเฉยแบบนี้ถึงจะมีกําลัง จาคุณสุดใจเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธรูปเอาไว้กราบไหว้สวดมนต์ในห้องนอนได้ไหมเจ้าคะนอนคนเดียวมีไว้แค่องค์เดียวนะเจ้าคะตอนจริงก็ไม่มีข้อห้ามตรงไหนว่าจะอาไว้พระพุทธรูปที่ตรงไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมก็แร้วกันจากคุณรงชยัยกับเรียนถามหากเป็นเวลาที่ทราบว่าเรากาลังอยู่ในช่วงการตายควรกาหนดจิตอย่างไรครับ ก็กำหนดให้สงบไงทำจิตให้เฉยเฉยให้มีอุเบกขาไม่ทุกข์กับความเป็นความตายตายก็ได้อยู่ก็ได้เท่ากันคําถามจากคุณวานิดาเราจะอยู่ร่วมกับคนที่มีอารมณ์โทสะเกลี้ยวกราดผู้ใจมไม่ถนอมน้ําใจคนอื่นกับเขาอย่างไรเจ้าคะก็อยู่แบบเฉยเฉยไปอยู่ด้วยอุเบกขาเราจะเดชจะช่วยก็เลื้ยงของเขา ถ้าเรามีอเบคขาแล้วเราก็จะเฉยๆได้ไม่เดือดร้อนกับความดีความเชื่อของเขาคำถามจากคำถามจากทาง facebook ค่ะเ <s we ak> พื่อนยืมเงินไปไม่คิดจะคืนเราควรวางใจอย่างไรบางทีก็เสียดายเจ้าค่ะเวลาที่เราให้ยืมไปเราต้องคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปเขาจะคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายใจคําถามจากทาง facebook หากเราพบว่าเราเป็นโรคร้ายแล้วเรารู้และเข้าใจว่าเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเราควรไปหาหมอรักษาหรือทำใจไม่รักษาตัวดีคะก็แล้วแต่ว่าการรักษานั้นเป็นการ ส, สร้างความทุกข์มากกว่าดับความทุกข์หรือเปล่าถ้าไปรักษาแล้วไปเพิ่มความทุกข์ก็อย่าไปรักษามันดีกว่าคาถามคุณนาวิน จิตฟุ้งซ่านใช้พุทธโธหยุดได้จิตหดหูต้องทําอย่างไรครับก็พุทโธเหมือนกันอ่ะจิตหดหูก็เกิดจากความอยากอยากได้นู่นได้นี่พอไม่ได้ก็หดหูพอหยุดความอยากได้ใจก็หายหดหูคําถามจากคุณเอ ก, กชัยการฝึกสมาธิระหว่างการอาบน้ําแปลงฟานกินข้าวสามารถสวดมนต์อิติปิโสในใจเพื่อหยุดจะได้ไหมครับได้ คำถามจากคุณพุทธานุสติกระผมมีข้อสงสัยขอเรียนถามว่าสัมภเวสีกินอะไรเป็นอาหารญาติพี่น้องเขาเอาเครื่องเส้นไว้ให้กินจะได้กินหรือไม่ครับไม่ได้หรอกดวงวิญญาณเ้าต้องกินบุญบุญที่เราทำแล้วเราแบ่งไปเนี่ยเขาได้เป็นอาหารของเป็นอาหารทิพอาหารทิพของสัมภเวสีก็คือบุญ งั้นเวลาที่เราอุทิศบุญไปเนี่ยเราส่งอาหารไปให้เขากินเพราะจิตเขาหิวโหวยเขาไม่มีบุญตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทำบุญไม่ได้สะสมบุญไว้พอเขาตายไปใจของเราก็ใจของเขาก็เลยหิวโหวยเขาก็เลยอาจจะมาขอส่วนบุญบจากเราพอเราฝันถึงเขาเราก็ตอนเช้าก็ใส่บาตรแล้วก็อุทิศบุญไปให้เขา คำถามจาก Facebook ค่ะถ้าวันนี้เรารู้ดีรู้ชั่วละอายและเกรงกลัวตบบาปบริจาคทานแต่กว่าจะรู้แต่กว่าจะรู้ดีรู้ชั่วก็หลงทำบาปมามากมายอนาคตถ้ามีโอกาสเกิดเป็นคนอีกเราจะหลงทำผิดอีกแบบเดิมหรือเปล่าคะก็อยู่ว่าเราลืมหรือไม่ลืมถ้าเราไม่ลืมเรื่องผิดถูกดีชั่วเราก็จะไม่ทำอกีกเทาไรเรายังลืมอยู่เราก็ยังอาจจะกลับไปทาได้อกีก วิธีจะ ท, ทำให้ไม่ลืมก็ต้องปฏิบัติมีปัญญาต้องบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันพระอริยบุคคล น, นี้จะไม่ลืมเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะเห็นผลของดีชั่วมันเกิดขึ้นในใจของตนทันทีเวลาคิดชั่วทําชั่วใจจะทุกเวลาคิดดีทดําดีใจจะสุขอย่างนี้จะไม่มีวันลืม คำถามจากคุณยานิตาน้ำตาไหลออกมาเองตอนที่ไปทาบุญเกิดการปิติทางใจหรือเป็นเพราะอะไรคะมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ถ้าเรามีความสุขอากการที่มันมีความมันไหลน้ำตาไหลก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรดูหนังดูจะดาราที่เราชอบบางทีน้ำตาก็ไหลได้ได้ของที่เรารับขึ้นมาน้ำตาก็ไหลได้ นั่นมันเรื่องของของใจที่มีปฏิกิริยากับสิง่งต่างๆถ้ามันไม่ทำให้ใจเราทุกข์ก็ก็ถือว่าไม่เป็นไรจากคุณจีรนาธความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมเราสามารถวัดได้จากอะไรบ้างเจ้าคะกิเลสน้อยลงความโลภความโกรธความหลงน้อยลงความสงบ ม, ม, ม, มีมากขึ้นความเมตตากรุณามีมากขึ้น คำถามจากคุณเพชรกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถามว่าคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจิตของเขาจะยังอยู่ไหมเจ้าค่ะพ่อแม่ทําบุญใส่บาทอุทิศให้เขาทุกวันเขาจะได้รับทันทีหรือเปล่าเจ้าค่ะจิตไม่ว่าน่างกายไม่ว่าจะตายแบบไหนจิตก็ยังเป็นจิตเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันแล้วจิตจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่บุญที่บาปไี่ทําไว้แั้นจะตายแบบไหนไม่ไม่ไม่เป็นเป็นประเด็น ไม่ได้ทําให้จิตเร็วขึ้นหรือแย่ลงหรือดีขึ้นแต่อย่างใดจิตจะดีขึ้นหรือเร็วลงอยู่ที่บุญที่บาปที่ทำเอาไว้คําถามสากคุณสติวรู้สึกว่ากําลังจะแพ้ที่จะห้ามใจไม่ให้ไปชอบเขาเจ้าค่ะขอกําลังใจจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะก็ให้นึกถึงอาการ32ของร่างกายท่องไปเก็ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกมา้าหัวใจตับทั้งเฟยไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยดูดูลาไส้เขาบ้างดูกระเพาะเขาบ้างดูตับดูปอดเขาบ้างอย่าไปดูแต่หน้าตาเท่านั้นอย่างเดียวคถ้าคิดถึงหน้าตาเขาเดี๋ยวว่าเกิดความรักขึ้นมาพอไปเห็นปอดเขาบ้างเห็นหัวใจเขาบ้างเห็นนลำไส้เขาบ้างมันก็จะทําให้เราคลายความรักได้ตอนนี้ยังไม่มีคําถาม ค, ค่ะ เชิญเข้ามาถ้าอยากจะถามอะไรมาทางน้านี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้กรับธรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, อะขอขอกลับสอบถามค่ะ คือหนอูพยายามรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดค่ะแต่ว่ารักษาศีลแปดได้แค่เป็นบางวันค่ะหนูพยายามเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแต่ว่ายังรู้สึกว่าจดจ่อกับพุโทโธได้ไม่นานค่ะหยุดความคิดไม่ค่อยได้ก็ลเลยไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะว่าศีลเรายังไม่บริสุทธิ์หรือว่าความเพียรของเรายังไม่มากพอค่ะพระอาจารย์ก็ทั้งทั้งสองส่วนนะ ก็ส่วนหนึ่งก็คือที่เราไม่บ่อยสุดเพราะเราไม่มีสติที่จะไปรักษามันได้เราต้องเพียรพยายามเจริญสติให้มากขึ้นเมื่อเรามีสติมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นการที่จะไปละเมิดการละเมิดศีลก็จะยากขึ้นง mm hmm. ั้นก็พยายามทาไปตามกาลังของเราทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปถ้าอยากจะทำมากเกินกำลังมันก็เครียดถ้าทาน้อยมันก็ไม่ก้าวหน้า mm hmm. งั้นตอนนี้เรา ท, ไทไาได้กี่วันก็ทำไปรักษาได้กี่วันก็ทำไปแล้วต่อไปพอเราฝึกสติได้มากขึ้นนั่งสมาธิได้นานขึ้นเราก็จะรักษาสีได้มากขึ้นไปต่อไปค่ะพระอาจารย์ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะพระอาจารย์ถ้าเกิดว่า หนุ ม, มีความปรารถนาเรื่องความพ้นทุกข์นะคะในชีวิตคารวะเนี่ยสามารถไปได้สุดทางไหมคะพระอาจารย์ได้ไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือพระถ้าปฏิบัติได้ก็ไปได้เพียงแต่ว่าการเป็นพระหรือเป็นนักบวชเนี่ยมันเหมือนได้ขึ้นทางด่วนมันได้ไปเร็วกว่าถึงถึงง่ายกว่าถ้าขับรถอยู่ใต้ทางด่วนถ้าขับรถอยู่ใต้ทางด่วนมันก็ติด มันถ้าเรายังเป็นคาราวาสอยู่แล้วก็ติดคนนั้นติดคนนี้ติดธุระนั้นธุระนี้มันก็ทําให้การปฏิบัติเราล่าช้าได้แต่ถ้าเราไปเป็นนั่งบวชก็ไม่มีอะไรมาให้เราติดไม่เราก็ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนมันก็จะไปได้เร็วกว่าแต่ถ้าไปบวชแล้วไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่ได้บวชเห็นมันไม่ได้อยู่ที่บวชแล้วไม่บวชอย่างเดียวอยู่ที่บวชแล้วไม่บวชแล้วก็ปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติด้วยทั้งสองอย่างต้องมีถ้าไม่ได้บวชแต่ปฏิบัติ บางทีอาจจะไปถึงพวกที่บวช้าแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่การบวชก็ไม่บวชอย่างเดียวการบวชนี้มันเป็นการช่วยให้เราได้ปฏิบัติมากขึ้นแต่ถ้าเรามีเวลาปฏิบัติมากขึ้นเรากลับไม่ปฏิบัติไปทําภารกิจอย่างอื่นไปขายของในวัดนี้เป็นบังคมเป็นแม่ชีแล้วไปนั่งขายพระขายอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ปฏิบัติมันก็เหมือนกับไม่ได้บวชนะนนการไปบวชนี่เพื่อไปปฏิบัติปฏิบัติท่าศีลสมาธิปัญญา แต่ถ้าเราเป็นค า, ารวาสเราไม่มีภารกิจกับใครอยู่คนเดียวสามารถปฏิบัติสินสมาธิปัญญายได้เราก็อาจจะไปได้เหมือนกันมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไ ป, ไปบวชอย่างเดียวอยู่ที่การปฏิบัติเป็นหลักว่าปฏิบัติได้หรือไม่ได้ค่ะขอขอนุญาตอีกหนึ่งข้อค่ะอาจารย์คือ การละสักกายทิฏฐิที่ละได้จริงๆคือต้องใช้ปัญญาใช่ไหมคะรย์ก็ต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนดินน้าลมไฟเป็นดินฟ้าอากาศมันไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนต้นไม้แต่เราไปยึดไปครอบครองมันแล้วไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเราต้องแยกเราออกจากร่างกายนี้ให้ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นดินฟ้าอากาศเป็นต้นไม้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันมันจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้าย เห็นละถ้กายญาทิฏฐิการไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของธรรมชาติมันมาจากดินน้ําลมไฟแล้วมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปพิจารณาเวลาร่างกายตายไปมันหายไปไหนมันก็ไปแยกออกแยกชิ้นส่วนออกไปดินก็ไปทางหนึ่งน้ําก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางหนึ่งมไม่มีอะไรเหลืออยู่ ผมพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นการรวมตัวและแยกตัวของดินน้ำลมไฟท่านั้นเองขอบพระคุณเจ้าค่ะขอโอกาสครับกลับเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ผมขอสอบถามเรื่องการเดินจงกรมครับตอนเดินจงกรมเนี่ยผมเกิดความสูงงร่านขึ้นมา แล้วก็มีวิธีปฏิบัติสองแบบครับอันแรกผู้น้อยเมื่อจิตเดินถึงความฟุ้งซ่านอันที่หนึ่งก็พิจารณาลงสู่ไต่ลักเมื่อหลุดไปจิตมันก็จะเดินต่อลึกลงไปลึกลงไปสมาธิเพิ่มขึ้นเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกก็พิจารณาอีกจนหลุดไปเรื่อยๆอันนี้เป็นแนวปฏิบัติผู้น้อยอันที่หนึ่งครับวิธีปฏิบัติของผู้น้อยเกิดความฟุ้งซ่านข้อที่สองก็คือ เอาพุโทโธอย่างเดียวสิ่งใดเกิดก็ามาปัดทิ้งสิ่งใดเกิดก็ามาปัด ท, ทิ้งพุทโธทียิบ จ, จนจิตเหนื่อยไม่ไม่ยอมไปจับกับพุโทโธจิตก็จะว่างอยู่พักหนึ่งณจังหวะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาผู้น้อยก็จับไปพิจารณาเช่นผงขนเล็บฟันหนังก็ดีในสองแนวทางนี้เนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นการเดินจงกรม สิ่งที่เกิดต่อมาก็คือแนวทางแรกสิ่งใดเกิดขึ้นเราพิจารณาจนหลุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ร, ร, รู้สึกว่าใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันเนี่ยสบายมีปัญญาสบายมากกว่าส่วนแนวทางที่สองเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายมากกว่าโดยรวมความเนี่ยสิ่งที่ผู้น้อยวิเคราะห์ทั้งหมดก็คือผู้น้อยปฏิบัติทั้งสองวิธีโดยไม่เลือกขึ้นกับกาลังของจิตแล้ว ทำทั้งสองวิธีรวมๆกันขอความเห็นจากพ่าแม่ครูอาจารย์ครับวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ใจเราสงบไม่คิดปรุงแต่งเราวิธีนั้นก็แล้วกันเ้าหมายก็คือทำให้ใจว่างให้ใจสัตธวรมรู้ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ยุ่งวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ใจอยู่ในปัจจุบันไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่คิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ วิธีไหนก็ได้พุโทโธก็ได้ดูเท้าก็ได้พิจารณาการสามสิบสองก็ได้แต่ทําให้มันกิจจาลักษณะ<ม>อย่าทำแบบมวยวัด<ม>เดี๋ยวก็คว้านั่นมาเดี๋ยวก็คว้านี่มาถ้าพุโทโธก็เอาพุโทโธมันไปตลอดสายเลยไม่ต้องไปใช้อย่างอื่น<ม>ถ้าพิจารณาก็พิจารณาอย่างเดียวไปเลย ม, มันจะดีกว่าพิจารณาจนกว่ามันจะสงบผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปจนกว่ามันจะสงบให้คิดเรื่องอะไร คำถามจากคุณวาสนากับเรียนถามครับการไปปฏิบัติตามทุ่งนาปากเขาป่าช้าเราจะไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นได้ไหมครับต้องไหว้ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ใช่แต่ป่าชา้าเนยการไหว้พระเกินคือการพุโทโธเนี่ยการเยริญสตินีเน่เรียกว่าเป็นการไหว้พระเดินไปกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจว่างอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ควบคุมความคิดไว้ให้ได้ยังมีคำถามเข้ามาอีก ญาต์ยยบรบกวนเจ้าคะ่ะเมื่อวานนั่งคุยกันเรื่องสา ม, มนเณรติดสะเจ้าคะ่ะลูกหลานขอความเห็นว่าเขาใจผิดเข้าใจถูกยังไงเจ้าค่ะพอดีเข้าใจว่าเห็นอธิบายเรื่องว่าเหมือนจะตาขาดจะถึงคาตุอย่างนี้เจา้าค่ะก็เลยปล่อยปลาก็เลยช่วยพกโยมก็เลยคุยกันว่าหน้าที่พกโยมเคยรักษาคนไข้อย่างนี้บุญคงโคมันสา ม, มนเณรติดสะหรือไม่ยังไงเจ้าคะ่ะควรทําเรื่องของสา ม, มนเณรติดสาที่เป็นลูกศิษย์ภาษารีบุตรที่ว่าที่ท่านทราบ<า>ว่าจะถึงคาตในเวลา7วันเจ้าคะ่ะระหว่างทางกลับบ้านก็ได้เจอปลาก็ไปช่วยให้ล่อช อย่างนี้เจ้าคะ่ะจากบุญนานๆก็ทําให้กลายเปว่าที่ต้องตายก็ไม่ตายลูกหลานก็เลยคุยกันว่าเอาแล้วพวกเราทํารักษาคนไข้อย่างนี้บุญคงโ ข, อ, งข อ, งอย่างไ น, นใช่หรือไม่ขอเมตตาครูบาอาจารย์เมตตาแนะนํา<อ>หรือสั่งสอนเรื่องนี้ด้วยเจ้าค่ะแต่ะคนมันไม่เหมือนกันนะเรื่องของแต่ละคนจาเอามาใช้กับเราบางทีไม่ได้นะเ ม, มื่อคนเราถึงคาดบางทีมันจะทําอะไรมันก็ห้ามมันไม่อยู่พระโมคคัลลานะเมื่อถึงเวลาจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำนี้ทำนี่เพื่อไม่ให้ตายมันมันอาจจะเป็นกรณีพิเศษยกเว้นไปเรื่องหนึ่งเท่านอ้ดังนั้นก็ถ้าตามหลักตายรักแล้วมันไม่มีใครหนีความตายไปได้แม้แต่พระพุทธเจ้าจะตายก่อนตายหลังตายช้าตายเร็วเั้งนี้ฉะนั้นสาหรับคนที่จะตา ย, ยานี่ให้ทำใจยอมรับความจริงแลวใจจะได้ไม่ทุก ส่วนคนอื่นก็เช่นเดียวกันก็ยอมรับว่าถ้าถึงขราวเขาจะตายทำไรก็ห้ามเขาไม่อยู่ชุดเขาไม่ได้ถ้าไม่ถึงขราวตายเขาก็ไม่ตายก็ยไี้ค่ะก็คุณแม่ตาเจ้าค่ะเดี๋ยวจะพยายามก็สร้างสมบูรณกุศลแล้วก็ พยายามทําความเข้าใจถึงใตรักเจ้าค่ะจะได้ไม่ทุกข์มากแต่ว่าเรื่องบุญกุศลลูกหลานก็เลยเถียงกันว่าเฮ้ยมันบุญยังไงหน้าที่จะช่วยต่อชะตาหรือบุญยังไงที่ว่าเฮ้ยเรื่องสิ่งเหล่านี้มันช่วยได้จริงๆรไหมอย่างนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อมันถ้าช่วยได้ก็ไม่ต้องตายอะไรเลยสิครับต่ออายุกันเด้วยพอจะตายก็ขอต่อขออีกสองปีก็เดี๋ยวนี้เขาอย่างนี้กันไงเจ้าค่ะลูกหลานก็เลยงงว่ามันจริงๆคืออะไรถ้ามันได้ก็ดีมันไม่ได้อะไร มันได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาตายมันก็ไม่ตายจะตอบไม่ตอบมันก็ไม่ตายถ้าถึงเวลามันจะตายต่อยงไงมันก็มันก็ตอบไม่ได้เป็นเรื่องของตายลักนี่ไปไปต่อรองกับเขาไม่ได้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาไปต่อรองไม่ได้มันเป็นตายตามเหตุตามปัจจัยพัยังไม่ถึงเวลาตายให้กระโดดตึกลงมามันก็ไม่ตายให้ตกเครื่องบินมามันก็ไม่ตายถ้ามันยังไม่ถึงเวลาตาย อะไรเวลาตายอยู่ในบ้านนอนหลับตื่นขึ้นมาหัวเวียนหัวลม้มศีรษะพลาดพื้นตายไปก็นี้งั้นอย่าไปกังวลเรื่องความตายเลยเอามาพิจารณาว่ามันต้องเกิดดีกว่าแล้วก็ปล่อยวางมันเมื่อถึงเวลาจะตายก็ให้มันตายไปใจจะได้ไม่ทุกข์กับมัน ข, ข, ขอบคุณเจ้าของไม่อยามตาย น, นะคนอยากจะหาเวลาหยอนอยู่ต่อไปเรื่อยๆ มันอยู่ไปไม่ได้หรอกถ้าอยู่ได้พระเจ้าจะอยู่มาถึงป่านนี้แล้วลนะ่ะ yeah. คำถามถัดไปจากคุณอดารดาค่ะกราบเท้าหลวงพ่อเจ้าค่ะมีคาถามสองข้อหนูขออ่านกระชับให้สั้นนิดนึงนะคะคำถามแรกตอนนี้เราก็เข้าใจเรื่องทานศีลภาวนาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเท่าที่มีเวลา แต่ยังไม่สามารถออกจากทางโลกได้กรณีนี้ถ้าเรายังไม่เข้าสู่กระแสพระนิพพานาเช่นเป็นพระอริยะบุคคลขั้นที่หนึ่งแต่เราตายไปก่อนความรู้และการปฏิบัติของเราจะติดตัวในภพหน้าชัดหน้าทั้งหมดหรือไม่เจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยถ้าทำมากก็จะติดอยู่นานหน่อยถ้าทำน้อยมันก็จะติดอยู่น้อยอยู่ไม่ไม่นานมันอยู่ที่การปลูกฝังนิสัยของเรา ถ้าเราทำมากมันก็จะเป็นเหมือนสันดางขึ้นมามันก็จะอยู่นานแต่ถ้าทำน้อยมันก็เดี๋ยวก็อาจจะจางหายไปได้ค่ะ ข้อที่สองหนูทําทานมาเรื่อยๆ เ, เจ้าค่ะมากน้อยเท่าที่มีกําลังแต่หลังๆได้ทําทานมากขึ้นเรื่อยๆกับโดยเฉพาะกับพระอริยะเจ้าแต่ทําไมจิตใจของหนูไม่ได้รู้สึกปิติยินดีในทานนั้นเลยเจ้าค่ะรู้สึกเฉยๆมากค่ะแต่คนอื่นเขารู้สึกปแบบรื่นยินดีมากเจ้าค่ะความแบบรื้นยินดีมันต้องจะเกิดขึ้นครั้งแรกแรกพอทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะรู้สึกเฉยๆ คามรู้สกเฉยๆนี่ก็เป็นบุญแล้นแหละใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นวายใจสบายเฉยๆค่ะคำถามจาก Facebook ค่ะถ้าสมมุติว่าเราเกิดอุบัติเหตุโดยที่เรายังไม่มีพุโทโธจิตเราจะไปที่ไหนคะก็อยู่ที่บุญที่บาปแล้วที่เราทำไว้อันไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงเราไปอบายถ้าบุญมีกาลังมากกว่ามันก็จะดึงเราไปสวค์เหมือนตอนที่เรานอนหลับเนี่ย ถ้าบุญเรามากกว่าเราจะฝันดีนอนหลับเราจะฝันดีถ้าบาปมีกําลังมากกว่าเรามักจะฝันร้ายกันตอนที่เรานอนหลัตอนที่เราตายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับดีๆน ขอถามรวบคําถามสองคำถามที่เกี่ยวกับการทําบุญใส่บาตรนะจ๊ะนะคะการทําบุญใส่บาตรพระเราจะได้บุญก็ต่อเมื่อพระให้พรเราใช่ไหมและก็อีกคําถามหนึ่งคือจําเป็นต้องกรวดน้ําอุทิศส่วนกวุศลให้พวกร่วงรับหรือไม่ครับทําบุญใส่บาตรได้บุญทันทีโดยที่ไม่ต้องให้พระให้พรการให้พรของพระไม่ได้เป็นการให้ให้บุญเราบุญเกิดจากการเสียสละแบ่งปัน พอเราเสียสละของชิ้นนั้นไปเงินชิ้นนั้นไปไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วเราก็ได้บุญทันทีส่วนการอุทิศบุญนี้เราไม่ต้องใช้น้ำก็ได้ใช้ความคิดนึกไปในใจว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ลงรับไปแล้วก็ถือว่าสำเร็จสำเร็จผลแล้วค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะนั่งสมาธิเราเข้ารวังคาบริกรรมหายไปแล้วคล้ายๆเงียบหายไป แล้วคล้ายๆเงียบหายไปเหมือนเหมือนฝันพอ ร, รู้แล้วก็ฝันพอ ร, รู้ตัวว่าฝันก็กลับมาบริกรรมพุทโธต่ออย่างนี้จะทำพอ ร, รู้ตัวว่าฝันก็กลับมาบริกรรมพุทโธต่ออย่างนี้จะทำให้มีผลเสียอะไรไหมคะต้องแก้ไขอะไรไหมคะก็แสดงว่าสติเรามีกำลังน้อยพอเผลอสติมันก็เลยเคลิ้มหลับไป ดันั้นก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นควรจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนเลยก่อนมาเสริมสติมาสร้างสติให้มีกำลังมากก่อนแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่ค่ะคำถามจากทางยู u b e ถวายที่นอนยางพา ร, ราสูงสิบสองนิ้วให้พระสงฆ์ได้ไหมครับเพราะภายในไม่มีนุ้นและสำลีพระจะใช้นอนได้ไหมครับสิบสองนิ้วอะไรนะฟุตหนึงนะน่งเหรอหรือสองนิ้ว น่าจะสนเขียน12นิ้ว่ะสองนิ้วถ้าเป็นบางๆพอการการความเย็นความชื้นของพื้นที่นอนนอนก็ก็ได้แต่ถ้าให้มันเป็นความสุขก็ไม่ควรค่ะคำถามจากคุณสุกราสตาหนูอชอบแชร์ธรรมะของพระอาจารย์อยากให้เพื่อนๆได้อ่านข้อธรรมดีๆค่ะแบบนี้มันเป็นกิเลสไหมคะไม่หรอกเป็นธารทบุญทาทานเนี่ย การให้ธรรมะก็เป็นการทำทานอย่างห น, นึ่งชนะการให้ทั้งปวงคำถามจากคุณอัญชนาะการตกกระไดพลอยโจรจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราใกล้จะตายแล้วอยู่ในภาวะจิตว่างแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกใช่ไหมคะกราบขอบพระคุณออคะ่ะไม่ได้หรอกถ้ามันปฏิบัติไม่ได้มันหยุดความอยากไม่ได้มันเวะนามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกคำถามจากคุณจิรารัตน์ค่ะ ผู้ยยมควรจัดการอย่างไรกับสัตว์เช่นมแมลงสาบที่ไต่คลานเข้ามาอาศัยในในห้องโดยที่ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาได้ก็ปล่อยเขาอยู่ไปค่ะ <c oughs> หมนแล้วเหรอ <c oughs> เออ <c oughs> ขาดหมดแล้วค่ะก็ okay. คิดว่าคํามาขออาศัยเราอยู่เราก็เมตตาเข้าไป